261. อับปติกรรมมะอุเคปนิยกรรมมะวิวาทะกะถาว่าด้วยความขัดแย้งในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ438ภิกษุทั้งหลายหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัต ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปราถนาจะทำคืนอาบัตเอาละ่ะพวกเราจะลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำ ลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูป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 กรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปกรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทำไม่ดีต้องทำใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันรมกรรมทาไม่ดีต้องทาใหม่ จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น